หมวดที่สองกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลรวิบัติในอัติศิล 2. มีอาจารระวิบัติในอัชฌาจารย์มมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล